วันคืนล่งไปล่วงไปน้องแเดียวก็สิ้นปีละสาสิบเอ็ดธันวาสองพัน้าร <kald> ้อยห้าสิบสี่ผ่านไปเร็วมากปีหนึ่งที่จริงก็ผ่านไปทุกวันทุกวันถ้าเราพิจารณาดูวันเวลาที่มันผ่านไปในแต่ละวันเราได้ทำอะไรบ้างยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ทำอะไรบ้าง แต่ละชั่วโมงได้ทำอะไรบ้างแต่ละนาทีได้ทำอะไรบ้างแต่ละวินาทีเราได้ใช้ชีวิตอย่างไรบ้างนะเราก็จะมีการได้ตหนักถึงคุณค่าของวันเวลาซึ่งมันเวลามันก็เหมือนกับสายน้ำผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ไรย้อนกลับเวลาในชีวิตของเราก้เหมือนกันบางทีมันไม่ใช่แค่ปีนี้ที่มันผ่านไป ต่มันผ่านมาแล้วสามสิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีก็มีนี mm. ่ก็คือมันผ่านมาหลายมาหลายรอบแล้วของช่วงปีแม้จะมีวันเดือนปีเป็นสิ่งสมมติในการใช้ในทางโลกแต่มันก็ดีมากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทบทวนกับสิ่งสมมติตัวนี้ไม่เอาไม่เอ า, เอาในแต่ละรอบปีรอบเดือนมาทบทวนในชีวิตมันก็จะผ่านไปจนกระทั่งเรียกว่า เราไม่ได้แตะหนักถึงคุณค่าของของวันเวลาที่มันผ่านไปเพราะว่าแต่ถ้าเราถ้าพวกเราระหนักถึงวันเวลาที่มันผ่านไปเฮาจะผ่านไปละวอีกดพอสอเ น, นินนะอีกปีหนึ่งแล้วนะปีนี้กับปีก่อนเราได้ทำจิตใจของเรามันพัฒนาขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันตกต่าลงหรือว่ามันทรงตัวเสมอเดิม แล้วก็ลองทบทวนดูก็ได้ในแต่ละรอบฟรีของชีวิตเรามันมีสิ่งดีๆปรากฏขึ้นในจิตในใจของเรามากเมื่ขนาดไหนความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาฝึกฝนตนเราได้กระทํามากน้อยขนาดไหนนี่การกระทําคือการที่เรียกว่าเราทําเหตุแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมากเมื่อขนาดไหนเราก็ได้ทบทวนดูว่าสิ่งที่เป็นความตั้งใจในชีวิตของเราหรือ ถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเป็นเป้าหมายของชีวิตนะเป้าหมายของชีวิตที่เราจะจะเดินทางไปให้ถึงหลายคนก็คงมีเป้าหมายซึ่งคือพระนิพพานหรือว่าบางคนก็ตั้งใจที่จะฝึกฝนตนให้ถึงที่สุดนะในการที่จะลดละกิเลสหรือว่าดับความทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจจุดหมายตอนนี้ของเราเราได้ทําความเพียรมากน้อยขนาดไหนได้มีความ เรียกว่าได้มีการกระทำในการที่กระทำตัวนี้มากน้อยหรือยังเราก็ได้ทบทวนตัวของเราเองดูว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ฝึกฝนภาวนามากหรือน้อยนะความรู้หรือว่าความหลงอันไหนมันมากกว่ากันนะในแตใน่ในรอบปีก็อาจจะเห็นได้ชัดนะนะหรือแค่จะโฟกัสลงมาสั้นๆก็ได้ในรอบวันหนึ่ง วันหนึ่งความรู้หรือว่าความหลงมันมากกว่ากันนะในแต่ละช่วงเวลาที่ความหลงเกิดขึ้นสติรู้เท่าทันได้เร็วไหมนะหรือปล่อยให้มันหลงฟุ้งร้างไปเป็นแบบนี้ตลอดไปแต่ถ้าเราฝึกเราก็จะเห็นพัฒนาการว่าแต่ก่อนเราเคยหลงเป็นหลายเรื่องหลายราวนะหลงต่อเนื่องนะแต่พอถ้าเราฝึกแล้วความหลงมันก็สั้นลงความหลงมันก็น้อยลง หรือความสุดตัวมันก็เกิดขึ้นได้บ่อยนะจนเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาตนะิจิตก็เกิดความเป็นปกติเกิดความเบาเกิดความสบายเกิดนะความปล่อยวางสิ่งต่างๆนะเคยยึดมั่นถือมั่นในอะไรก็แล้วแต่แต่ก่อนเคยติดสุขเคยติดสบายเคยยึดติดสิ่งนั้นสิ่งนีนะ้ชีวิตก็เกิดความเรียกว่าวางความสุขวางความสบาย วางการยึดติดได้มากขึ้นนะเป็นแบบนั้นไหมนะหรือว่าชีวิตกับสร้างภาระสร้างการยึดติดสร้างความเรียกว่าสุ ข, ขสบายมากกว่าเก่านะก็เป็นสิ่งที่เราทบทวนดูตัวของเราเองนะเพราะว่าการภาวนาแล้วมันไม่ใช่อยู่ที่เรียกว่าเราได้มากระทารูปแบบจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือว่าได้เขา้ขขาคอร์สฝึกหัดภาวนาแต่แท้ที่จริงแล้ว กาภาวนาคือการสังเกตดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในตัวของตัวเองนี่แหละนะมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหมนั่นเรียกว่าภาวนาถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ตกต่ำลงอันนั้นเรียกว่าผู้ที่ไม่ภาวนาเพราะภาวนาแปลว่าการกระทำให้มากการเจริญให้มากจเจริญแปลว่าความดีงามเนา ะ, ะเมื่อความดีงามเกิดขึ้นมากนั่นแหละคือการภาวนา เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เกิดความเจริญขึ้นในจิตในใจนั่นแหละคือการภาวนาถ้ารอบปีที่ผ่านมาพอเรามีการภาวนามากก็แสดงว่าเออเราเรียกว่าชีวิตก็เริ่มดีงามเริ่มถูกทางแล้วก็มีพัฒนาการมากขึ้นมันก็จะเป็นแนวโน้มนแนวโน้มเหมือนกับกราฟซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่จะมันจะดีขึ้ น, น เราก็ต้องฝึกหัดต่อไปเลยเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ปีนี้อาจจะดีปีหน้าถ้าประมาทหรือว่ า, เ, าเรียกว่าไม่กระทำต่อเนื่องเนาะมันก็อาจจะตกต่ำลดลงก็ได้นะเราในชีวิตในแต่ละวันแต่ละปีนี้ประมาทไม่ได้หรอกเพราะว่าเราจะบอกว่าช่วงนี้มันดีอยู่แล้วมันสุกอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้ว มันไม่ค่อยทุกเท่าไหร่จะปล่อยให้ชีวิตผ่านไปแบบนี้ตลอดไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องทุกข์มากต้องเจอกับสิ่งพิภากสูญเสียต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาทําให้ต้องเสียใจทําให้ต้องคิดหนักทําให้ต้องเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ออกถ้าเราไม่มีการเตรียมมือรับกับสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้นะมันก็จะทุกข์มากกระทั่งเรียกว่าออกจากความทุกข์ไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกฝนภาวนาอยู่เสมอไปแม้ตอนนี้มันยังไม่ทุกข์มากมายอะไรไม่ต้องพัดภาพสูญเสียอะไรร่างกายก็ยังดีอยู่การภาวนาก็จะเป็นเครื่องหล่อเรี้ยงให้จิตใจมันเรียกว่ามันเกิดการยกระดับจิตขึ้นไปเกิดความเข้าใจความจริงของชีวิตนะถึงตอนนี้มันก็เรียกว่าไม่จมอยู่กับความทุกข์ของกายและของใจ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับกายกับใจนะสติมันก็จะเป็นตัวถอนออกมาให้ไม่ทุกข์นะคือนักภาวนานี่จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนะจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตนะก็จะมีสติเป็นเครื่องอยู่อยู่เสมอก็อจะใส่การมีสติในการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีปัญหามากระทบก็ใช้สตินะั่แหละเป็นตัวแก้ปัญหา ใช้ปัญญาเป็นตัวเรียกว่าชี้ไขในการออกจากปัญหานแต่ปัญหามันเกิดขึ้นปัญหาบางอย่างมันแก้ได้ปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ได้ก็ทําใจยอมรับความจริงเมื่อเราใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วนก็คือวางใจให้ถูกแล้วก็ใช้ปัญญาทั้งทางโลกแล้วก็ในทางธรรมบางทีก็ต้องดึงเอาปัญญาในทางโลกนะ เอาทฤษฎีเอารูปแบบเอาวิธีการต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาในทางโลกเราก็ต้องเอามาใช้เนี่ยจะใช้เนี่ยแต่หลักธรรมะปล่อยวางไ ม, ไม่ทําไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ก็ต้องเอาปัญญาทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาแต่บางทีปัญหาบางอย่างเกิดจากหลายเหตุหลายปัจจัยเกิดจากผู้คนเกี่ยวข้องมากมายบางสิ่งบางอย่างมันก็แก้ได้ สิ่งบางอย่างก็แก้ไม่ได้นะก็มีใจยอมรับความจริงสิ่งที่แก้ได้ก็ไม่ใช่ไปดีอกดีใจน่ะหรือว่าหลงระเริงว่าเราเก่งเราดีอะไรมันก็เพียงแค่เราแก้ถูกตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นสิ่งบางอย่างมันแก้ไม่ได้ก็ทําใจยอมรับความจริงว่าอ๋อมันตอนนี้มันยังแก้ไม่ได้แต่ต่อไปก็อาจจะแก้ได้ก็ได้หรือมัอาจจะแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจไปกับมันก็เห็นว่า ปัญหามันก็เป็นส่วนหนึ่งความทุกข์ใจมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะปัญหาเป็นเรื่องภายนอกแต่ความทุกข์ใจเป็นเรื่องภายในสิ่งที่เราจะทำได้คือไม่ทุกข์ใจแม้มีปัญหากับผู้คนแม้มีปัญหากับการงานหรือแม้จะมีปัญหากับเรื่องสุขภาพร่างกายของตนเองก็เห็นว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งก็ค่อยๆแก้ไขมันไปามเหตุหตันปัจจัยเท่าที่ทาได้ แต่ความทุกข์ใจเนี่ยเป็นหน้าที่หลักซึ่งเมื่อทุกข์ใจเมื่อไรเราจะวางมันไปนะวางความทุกข์ใจลงไปนะเปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์ก่อนนะตรงเนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราทำแบบนี้ได้ไบ่อยนะชีวิตในการภาวนาของเราก็จะเรียกว่าพบกับความไม่ทุกข์ได้บ่อยนะพบกับความวางได้บ่อยไม่ต้องรอวันเวลาใดนะสามารถสัมผัสได้กับความไม่ทุกข์สามารถสัมผัสได้กับความวางใจ แล้วถ้าเราทําแบบนี้ได้นะวันคือมันจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีกนะี่วินาทีก็ได้แต่ถือว่าเป็นเราเป็นผู้ที่เรียกว่าได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากนะเพราะว่าแต่ละวินาทีก็ดีแต่ละนาทีก็ดีนะมันมีการภาวนาเป็นเครื่องห่อเลี้ยงชีวิตรอเลี้ยงจิตใจทำให้ทำให้พ บ, บความสุขความสบายอยู่เสมอไปเปรียบคล้ายๆเหมือนกับเวลาเราเดินทางเนาะ เวลาเดินทางผ่านตรงไหนที่มีร่มนะมีต้นไม้บังแดดมีลมพัดเย็นสบายนะชีวิตในช่วงตอนเดินตรงนั้นก็รู้สึกมีความสุขมีความสบายมีความไม่ร้อนนะ่ะอันนั้นคือเรื่องของกายภายนอกมันเป็นเช่นนั้นเรื่องของจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีการภาวนามีสติมีปัญญาในการเดินทางอยู่เสมอจิตใจมันก็จะพบกับความไม่ทุกข์ พบกับความสุขใจความเย็นใจเปรียบคล้ายๆเหมือนกับมีร่มเงามีลมพัดมีความเย็นสบายเป็นเครื่องรอเลี้ยงในการเดินทางจิตใจที่มีการภาวนาเป็นเครื่องอยู่ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันก็จะพบความสุขความสบายความเย็นใจอยู่เสมอแม้จะมีความร้อนเกิดขึ้นกับกายภายนอกแม้จะมีปัญหามีสิ่งมากระทบ ต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตแต่จิตมันก็ไม่เป็นอะไรกับความทุกข์ต่างๆแล่านั้นนะมันก็แค่รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นพอไม่ไปหยิบไม่ไปเวยไม่ไปถือไว้มันก็ตกไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองนะมันก็เห็นมันก็ยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยวันเวลามจะผ่านไปสักกี่เดือนกี่ปีหรือแม้แต่ชีวิตนี้มันจะดับไปก็มันก็เป็นเรื่องของมันนะไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปถือกับมัน ตายไปยังไม่จบกิจในชาตินี้มันก็เป็นการเดินทางต่อในชาติใหม่มไม่ใช่เป็นการตายไปแล้วศูนย์นะตายไปแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแต่ที่จริงถ้าเราฝึกหัดภาวนาอยู่เราจะรู้เลยว่าเรามีคติไปทางไหนจะไปในทางต่ำหรือเปล่าจะไปในทางที่สูงหรือเปล่าจะไปในทางที่สามารถเดินทางต่อได้ง่ายหรือว่าเดินทางต่อได้ยาก เราจะมีคติในการรู้ใจต่เองเลยถ้าใจตอนนี้มันมันทุกข์มาก อ, อ่มันทุกข์อยู่บ่อยๆนะคติในการที่จะไปในภพภูมิหน้ามันก็จะเอียดก็จ ะ, จะไปในทางที่มันทุกข์นั่นแหละถ้าในชีวิตนี้ในวันเวลานี้จิตมันพบความสุขได้บ่อยพบกับความเบาความว่างความว่างได้บ่อยจิตมันก็ไปทางนั้นมันก็ไปทางนั้นเช่นเดียวกันจิตมันเป็นตัวเดินทางนะ มันเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนภพภูมิจากมนุษย์เป็นนั่นเป็นนี่นะหรือว่าจากสัตว์ประหล า, านเป็น อ, อยกสูงขึ้นหรือต่ําลงไปอันนั้นก็เป็นแค่ภพภูมิทางภายนอแต่ตัวเดินทางที่แท้จริงคือตัวจิตนี่แหละนะตัวจิตที่มันจะเดินทางเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ อ, อแต่มันก็เป็นการเดินทางแบบไม่ใช่ว่าเป็นอัตราเป็นสภาวะที่เรียกว่า อาตามันนะตัวตนเที่ยงแท้ถาวรที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนร่างไปแบบนั้นแต่จริงจิตมันก็มีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอการเดินทางก็เป็นการเกิดดับนะเกิดดับของจิตถ้าเราสังเกต ด, ดีๆจิตจิตรู้มันก็รู้จิตหลงมันก็หลงมันก็เกิดมันก็ดับจิตปรุงแต่งจิตไม่ปรุงแต่งมันก็มีการเกิดการดับ มันเหมือนจะเป็นตัวเดียวอยู่เสมอแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่ตัวเดียวอยู่เสมอไปหรอกนะมันเหมือนกับเราละเรามีความรู้สึกเราตอนเด็กเป็นแบบไหนเราตอนนี้เป็นแบบไหนมันะมันก็เหมือนบางทีถ้าเราดูดีๆไม่แต่ความเป็นเราเองมันก็ยังไม่แน่นอนตอนเป็นเด็กคิดอีกแบบหนึ่งตอนวัยรุ่นคิดอีกแบบหนึ่งตอนเป็นผู้ใหญ่ก็คิดอีกแบบหนึ่งหรือตอนก่อนภาวนา ก็คิดอีกแบบหนึง่งภาวนาแล้วก็คิดอีกแบบหนึง่งเนี่ยอันนี้เอาแค่เรื่องความคิดเนี่ยหรือเรื่องอื่นก็เช่นเดียวกันความเชื่อก็เช่นเดียวกันหรือแม้แต่บางทีแม้แต่ภาวนาแล้วก็เห็นเลยว่าจิตใจมันก็ไม่เสมอไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็วางได้เดี๋ยวก็ถือแบกไว้มันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงไม่แน่นอน แต่ถ้าเราฝึกหฝนภาวนาอยอะด้วยมันก็จะเห็นว่าเออสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่มายาภาพชั่วเร่ามันไหลเวียนเปลี่ยนไปเท่านั้นนะเหมือนกับวันเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปผ่านไปมันมีแต่ผ่านแล้วก็ไปผ่านแล้วก็ไปจะไปถือจะไปยึดไว้จะไปแบกไว้ทําไมในเมื่อสิ่งที่ผ่านมาแล้วอาจจะเคยสุขอาจจะเคยได้อาจจะเคยดีหรืออาจจะเคยทุกข์อะไรก็ ให้มันผ่านไปผ่านไปเถอะหน้าที่ของเราก็คือทำได้แค่ปัจจุบันที่มันผ่านเข้ามาในตอนนี้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่สิ่งที่มันจะผ่านเข้ามาในปัจจุบันในนาทีนี้ในในช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะทำได้ให้ดีที่สุดทำได้โดยการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความทุกข์ของกายก็ดี หรือการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็ดีเราทาหน้าที่ในการศึกษาเรียนรู้ดูสภาวะตรงนี้ดูสภาวะว่าตรงนี้โดยใจตั้งมั่นโดยใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอนาคตมันจะเป็นแบบไหนก็วางไว้ที่อนาคตไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องกังวลใจมีแผนในชีวิต ไ, ไว้โดยคร่าว แต่ที่จริงแล้วชีวิตเราก็อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอแผนก็เปลี่ยนได้เสมอไปทำชีวิตให้ว่างๆให้สบายสายมีแผนไว้เพียงเพียงแค่เป็นเป็นแนวทางไว้เฉยๆแต่ที่จริงชีวิตแล้วต้องอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันอย่างผู้ไม่ทุกข์อยู่ปัจจุบันอย่างผู้ที่ไม่หลง ปัจจุบันไม่ต้องไปกับอารมณ์ถ้าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้ได้ดีนะอดีตมันก็จะดีอนาคตก็ย่อมดีเพราะว่าวิาวธีในปัจจุบันเป็นตัวกําหนดกําหนดอดีตกําหนดอนาคตนะแน่นอนนะั่นะชีวิตในแต่ละวันเนาะปีนี้ก็จะผ่านไปมาสุดท้ายแล้วอนกะ็เป็นปีหน้าปีหน้าก็สองพันห้าร้อยห้าสิบห้า 2,600 ปีที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสุดนะูเขาเรียกว่าอะไรพุทธชัยันตีนะ 2,600 ปีพระพุทธเจ้าท่านตัดสรดูก็น่าจะเป็นปีมหามงคลของชาวพุทธพวกเราอีปีหนึ่งนะซึ่งพวกเราถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีเนาะได้เกิดทันในเรียกว่าในพุทธศาสนาเกิดทันกับพระสัทสดาส ม, มาสพุทธเจ้านะ และพวกเราก็เป็นผู้ที่เรียกว่าได้ใช้วันเวลาในการภาวนาในการกระทาสิ่งดีงามกระทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตแล้วก็พยายามฝึกฝนตนเองให้เข้าถึงสภาวะแห่งความเป็นพระสม์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือแบบใดก็แล้วแต่เราสามารถเข้าถึงสภาวะความเป็นพระสงฆ์ได้ที่จิตใจ คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากวความทุกข์ปฏิบัติสมควรสมควรอะไรสมควรแก่ทำนะทำทรทำแบบไหนที่กระทาเกิดขึ้นมันก็สมควรที่จะรับทมตรงนั้นแหนละมันเีนเรื่องของกฎของกรรมนะันะ่นะนะถ้าทำกรรมดีก็ต้องได้รับผลดีทำกรรมไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีทำกรรมที่เหนือดี เหนือไม่ดีมันก็ได้รับผลของการที่ไม่ไม่ทุกใจหรือไม่สุขใจกับความดีความไม่ดีที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นกรรมฐานที่อยู่เหนือเหนือความทุกข์เหนือความสุขเหนือโรครดของโรคมันมีเช่นไรเราก็รู้ทันแล้วไม่หลงกับโลกตัว น, นั้นนี่นี่คือกรรมฐานคือผู้ที่ปฏิบัติตรงควร้วปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์แล้ว ปฏิบัติตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตรงกับใจตรงกับความอยากตรงกับกิเลสแต่ตรงกับธรรมะตรงกับความจริงตรงกับกฎของธรรมชาติตรงกับขับคําสอนของผู้รู้พพระพุทธเจ้าพอดีหรือภูบาจานทร์พอดีท่านก็รู้สิ่งเดียวกันนี่แหละรู้อะไรรู้ธรรมะรู้กฎของธรรมชาติรู้เหตุเนเช่นใดจะเกิดผลเช่นไรน่ะ รู้ว่าความทุกข์เป็นแบบไหนรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะดับความทุกข์นั้นรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่รู้รู้แล้วก็กระทาให้เกิดผลด้วยอันนี้คือผู้ที่ปฏิบัติตร n นะถ้าเราทำเช่นนี้ได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติดีงามสมควรแก่การที่คนเขาเคารพกราบไหว้ปฏิบัติดีงามสมแข่การที่เขาเอาอาหาร ตอนรับนะผมแก่การที่เขาให้ที่พักที่อาศัยที่จริงก็สมแม้แต่ที่ธรรมชาติเขาให้เหตุปัจจัยได้ดำรงชีวิตได้อากาศได้น้ำได้เลือดได้เนื้อได้กาลังวังชาได้มีวันเวลาในการทำคุณงามความดีนี่แหละคือความที่เราได้ปฏิบัติดีนะมันก็เลยได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้อ่า ใช่ชีวิตในการทำคุณงามความดีต่อไปแต่ถ้าคนได้มีชีวิตอยู่แต่ถ้าไม่เอาชีวิตมาทำในคุณงามความดีชีวิตก็มีแต่ตกตำ่ำแล้วก็ทำกรรมที่เรียกว่าตํารับวิบากกรรมในทางไม่ดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่แต่ถ้าเราเอาชีวิตนี้มาใช้ในการทำคุณงามความดีใช้ชีวิตนี้ในการเรียกว่าเรียนรู้จากชีวิตที่แท้จริงว่ามันเป็นเช่นไรน่ะ คนความดีความงามก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเจนทั้งชีวิตมันก็สามารถหุดพ้ น, นจากความทุกข์ได้เนาะก็ปีปีเก่าก็จะผ่านไปปีใหม่ก็จะเข้ามาแต่ก็หวังว่าวันเวลาจะผ่านไปเช่นไรความตั้งใจในการใช้ชีวิตของเราทำเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีงามก็ขอให้เรามั่นคงกับชีวิตกับเพศภพวิญญาณก็ดีสําหรับนักบวช น่ะก็อยากให้ทุกคนได้มีรักษาเพศพรมจันทร์ไว้ให้เหนียวแน่นมั่นคงหรือแม้จะเป็นคารวานะ่ะแต่ถ้าเรามีจิตหมายในทางที่ดีงามแล้วนะก็ขอให้รักษาให้มั่นคงตรงนั้นไว้แม้ชีวิตคารว่าอาจจะโดนการกระทบหรืออาจจะมีสิ่งที่จะยั่วให้วันไหวได้ง่ายก็ขอให้มั่นคงไว้ให้ถือว่าเป็นการฝึกหัด ฝึกฝนนะหรือว่าเป็นการเสริมบารมีไม่ใช่เสริมบารมีเพื่อจะได้อะไรหม่ถึงว่าบารมีแบบที่คนอื่นเขาเข้าใจนะแต่เป็นการเรียกว่าคันติบารมีฝึกความอดทนอดกั้นนะวิทย บ, บารมีฝึกความเพียรแม้ใน่ามกลางกระแสโลกที่มันเชี่ยวกาดเราก็มีความเพียรในการที่จะพาตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีงามเหมือนกับกระแสน้าซึ่ง บางทีไหว้ไหว้ทวนน้ำก็ดีหรือว่าภายเรือทวนน้ำก็ดีน้าอาจจะเชี่ยวนะอยู่ในทางโลกราบรดลาบยศสรรเสริญสุขทุกนินทา ม, นมีมากมายยังมีมะยุ่อเรามากมายเขาขอให้เราได้มั่นคงกับแนวทางที่เราเดินอย่าไปหลงไปกับโลกนะอจะไปหลงไปกับการใช้ชีวิตสนุกสนานแบบที่คน ทางโรคหรือวัฏสงฆ์ต่างๆเขาเรียกว่าเพืดเพลินหมกมุ่นกันอยู่นะถ้าเราเห็นอันนี้อาจจะอาจจะยากขึ้นหน่อยนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะอยู่กับโรคแต่ไม่หลงโรคอยู่กับคนแต่ไม่หลงคนอยู่กับสรนเพินนินทาแต่ไม่หลงไปกับสรรเพินนินทาต่างๆเหล่านั้นนี่นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะก็เป็นงานที่เราเดินทางได้นใะนการฝึกฝนกัน ก็ถือว่าถ้าเราได้ใช้ชีวิตเช่นนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีพรห ม, มจรรย์ น, นะเพราะพรห ม, มจรรย์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การที่ไม่มีคู่ครองหรือว่าการออกบวชเท่านั้นแต่พรห ม, มจรรย์คือชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ดีงามชีวิตที่เป็นไฟเพื่อนะความเลุดพลอันนี้คือชีวิตที่เรียกว่าเป็นพรห ม, มจรรย์อย่างแท้จริง ก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะสู่ชีวิตพรหมจรรย์อย่างแท้จริงกันทุกคน